นี่ก็ดูในหน้า47เลยนะครับช่วงที่ขยายอิติเมสุตังเป็นต้นนะครับบางส่วนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของไวยากรณ์หรือเชื่อมในด้านอื่นๆก็ไม่กล่าวนะครับก็จะเลยไปที่อัตถะของอิติที่สัมพันธ์กับเรื่องของสติสัมปชัญญะเป็นต้นเลยนะครับว่าเกี่ยวกับอิติ มีสุตังเนี่ยนะมันสัมพันธ์กับเรื่องสติสัมปชัญญะอย่างไรในหน้า47นะครับว่าอันหนึ่งในที่นี้ท่านแสดงถึงความไม่หลงลืมออกมาด้วยคําว่าอิตินะบริใช้คําว่าอาศัมมหะใช่ไหมครับไม่หลงลืมอธิบายว่าประการที่แตกต่างกันออกไปแห่งความหมายที่ท่านพระอรณ์พาดพิงถึงอิติในบทว่าอิตินี้ ท่านแทงตลอดแล้วความไม่หลงลืมของท่านเป็นอันท่านแสดงแล้วด้วยคําว่าอิตินั้นคือพานตรงนี้เป็นผู้ทรงจําไว้ได้นะไม่หลงลืมในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงความไม่เลอะเลือนด้วยคําว่าสุตะนะไม่หลงลืมกับไม่เลอะเลือนหมายความว่ามันมันปลอมปนเนี่ยนะหลายๆเรื่องมาปะปนกันเนี่ยนะเรียกว่าเลอะเลือนหรือมัน ถ้าไม่หลงลืมก็คือจําได้ไม่เลอะเลือนก็ไม่มีอะไรมาแปลกปลอมปลอมปนเพราะอาการแห่งสุตะเป็นอาการที่เห็นอยู่ตามความเป็นจริงจริงอยู่ผู้ใดมีสุตะหลงลืมแล้วผู้นั้นย่อมปฏิญาไม่ได้ว่าเราได้ฟังมาแล้วในการอื่นเพราะถ้าหาว่าเพราะไม่หลงลืมเพราะไม่มีความหลงลืมหรือเพราะปัญญาเกิดปัญญาที่เกิดในเวลาฟังของพระอ น, น์นั้น จึงมีความสำเร็จแห่งปัญญาในการอื่นจากนั้นดังพันนานามาเช่นี้หมายก็ว่าถ้าหากว่าฟังแล้วไม่ลืมเนี่ยนะครับสามารถทรงจำไว้ได้เมื่อทรงจำไว้ได้เนี่ยก็ตอนหลังก็สติปัญญาก็จะเกิดใครควรพิจารณาสิ่งที่ไม่หลงลืมนั่นแหละนะครับอันหนึ่งเพราะความไม่เลอะเลือนจึงมีความสำเร็จแห่งสติเนี่ยนะครับ ถึงเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าไม่ลงลืมใช่ไหมครับปัญญาก็พิจารณาได้ถ้าไม่เลอะเลือนก็เป็นความสําเร็จของสติบรรดาปัญญากับสติทั้งสองนั้นเพราะสติที่เป็นตัวนําปัญญาจึงสามารถทรงจําพยัญชนะไว้ได้คือสตินี่เป็นเป็นตัวระลึกใช่ไหมครับเป็นตัวระลึกถึงคําทั้งหลายแหล่นี่นะสติเป็นตัวระลึก ฉันถ้าหากว่าสติเนี่ยเป็นตัว น, นําปัญญาก็สามารถทรงจำำําคําทรงจําพยัญชนะไว้ได้เพราะว่าอาการแห่งพยัญชนะทั้งหลายที่จะพึงแทงตลอดไม่ลึกซึ้งยิ่งนักเพราะการทรงจําไว้ตามที่ได้ฟังมานั่นแลเป็นกรณียกิจในเรื่องนั้นเพราะเหตุนั้นความปรากฏของสติจึงเป็นของสําคัญสําคัญมากนะครับถ้าสติเกิดขึ้นปรากฏก็จะทําให้เราลึกถึงพระพุทธพจน์เหล่านั้นนั้นได้ ปัญญาก็เป็นคุณหนุนหนุนสติในข้อนั้นเพราะเหตุที่สติเป็นตัวนําของปัญญาถ้าสตินําหน้าก็จําพยัญชนะได้ทีนี้ถ้าหากว่าเพราะปัญญาเป็นตัวนําสติถ้าปัญญานําบ้างเป็นไงจึงมีความสามารถในการทะลแทงตลอดความหมายได้เห็นความแตกต่างนะถ้าสตินําจําพยัญชนะถ้าปัญญานํา เข้าใจอัฏฐะหรือแทงตลอดความหมายของคํานั้นๆเพราะว่าอาการแห่งความหมายที่จะพึงแทงตลอดเป็นของลึกซึง้งเนี่ยนะถ้าพยัญชนะเนี่ยไม่ลึกซึ้งมากใช่ไหมไม่เหมือนอัฏฐะอัฏาะนี่ลึกซึ้งกว่าพยัญชนะเพราะฉนนั้นพยัญชนะนี่ต้องใช้กิจของสติแค่ระลึกก็ใช้ได้แหละส่วนอัฏฐะเนี่ยต้องใช้ปัญญานะครับจึงจะแทงตลอดเพราะอัฏฐะเนี่ยลึกซึง้งเพราะเหตุนั้นความขวนขวายของปัญญาจึงเป็นของสําคัญ สติเป็นตัวคุณธรรมในข้อนั้นเพราะเหตุที่ปัญญาเป็นตัวนำของสตินะเพราะประกอบด้วยความสามารถทั้งสองของท่านพระอานนท์จึงมีความสาเร็จความเป็นพระธรรมพันธาคาริกนะครับคือพระคุณคลังแห่งธรร ม, มะนะเพราะท่านสามารถตามรักษาคลังพระธรรมที่สมบูรณ์ด้วยอัถาและพยัญชนะได้นะสรุปว่าถ้าสตินาจาพยัญชนะ ถ้าปัญญานำจําอัฏฐะนะแทงตลอดอัฏฐะทีนี้ถ้ามีทั้งสติสัมปชัญญะได้ทั้งอัฏฐะและพยัญชนะนะครับนี่พราะฉนั้นอาศัยคุณธรรมทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับทั้งสติทั้งปัญญานี่ยแหละทาให้มีความสามารถในการรักษาขุนคลังพระธรรมแต่เรานี่มาพูดในสมัยใหม่เนี่ยนะครับาใครที่จําธรรมะได้พวกนี้สัญญาทั้งนั้นเลยขอให้สังเกตดู ว, ว่าขยายผิดแนวนะครับ สังเกตดูนะเออนี่พวกเธอเนี่ยสัญญาทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยนะแบบนี้เนี่ยเจอที่ไหนไหมครับในพระธาบิดกพวกนี้มีแต่สัญญาในธรรมะแต่ไม่มีปัญญาในธรรมะ ท, รที่จริงเป็นสตินะครับกิจที่เขาระลึกถึงพุทธพจน์เหล่านั้นนั้นได้นั่นเป็นกิจของสตินะครับเขาไม่ได้เอาสัญญามาอธิบายพร่ำเพื่อแบบสมัยใหม่อะไรทุกวันนะครับแต่ถ้าสัญญาเมื่อไหร่นะท่านจะอธิบายในลักษณะอกุศลเรียกว่าปปัญจะสัญญานะที่เป็นไปกับโลภะจําจสีเขียวว่ามันงามอย่างเงี้ย น, นะ ถ้าจำสำคัญหมายว่า ง, งามอย่างเงี้ยผู้ลักษณะนั้นเป็นเรื่องของสัญญาไปแต่ถ้าทรงจำคำสอนลักษณะนี้ท่านจะที่วายเป็นกิจของสติ ส, ส่วนใหญ่นะครับอันบางคนก็เอ๊ะผมเนี่ยจำแต่ธรรมะได้เฉยๆแบบนั้นเถอะก็เลยผมมีแต่สัญญาในธรรมะกลายเป็นตําหนิตัวเองไปจริงๆนั้นดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าส่งเสริมปัญญาให้เข้าใจแทงตลอดอัตถะที่ทรงจำมาเนี่ยนะดีแล้วเนี่ยนะ เอกเคยได้ยินไหมครับว่าคนนี้มีสัญญาในธรรมะหรือว่าสัญญาทรไม่มีมีแต่ธรรมะถอนผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมใช่ไหมเขาไม่เรียกว่าอนุภาคของสัญญานีแต่ว่าถือว่าคนมีสติมาก ย, าายิ่งเราฟังอาจารย์ผู้หญิงคนหนึ่ง น, นนะที่มาอธิบายคําว่าสติเนี่ยคือระลึกระลึกได้มันฟังแล้วมันเหมือนกับแวบหนึ่งแวบหนึ่งขึ้นมาอะไรทํานองนั้นนะครับครับทีละแวบแต่นี่ไม่ทีละแวบนะครับถ้าตามสังเกต ตามคำสอนในพระไตรปิฎกเนยนะครับก็ต่อเนื่องเลยนะครับคือหมายความว่าเขาสามารถปัดบาปอกุศลออกไปเนี่ยนะครับให้จิตเป็นไปกับผู้สนได้ยาวทีนี้บางท่านก็ปฏิเสธนั่นมันเป็นอาการกระทําของอัตตาอะไรเงี้ยคล้ายๆว่านั่นเป็นอัตตาทีนี้ถามว่าอัตตาคืออะไรถ้าทําอย่างนั้นสกายยะทิฏิยี่สิข้อใดข้อหนึ่งมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่เข้าหลักอัตตาอะไรสักอย่างหรอกครับถ้าไม่เข้าในสกายยะทิฏฐิยี่สิบนะพอน่าจะพูดถึงอัตตาเมื่อไหร่ก็เป็น เป็นไปกับสกายยะทิฐิ20ประการแต่นี้ไม่ใช่สกายยะทิฐิเพราะเป็นไปกับกุศล น, นะครับเป็นไปกับกุศลถ้าหากว่าสกายะทิฐิเนี่ยนะก็ไปดูว่าเข้ากับหลักทิฏฐิข้อใดข้อหนึ่งไหมเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอัตตาพําเพื่อพระพุทธเจ้าบางสู่นีก็สอนให้ฝึกอัตตานะครับแต่อัตตาตรงนั้นหมายถึงจิตนั่นเองนะรหรือมีตนส่งไปแล้วเนี่ยนะก็มีอัตตานั่นแหละส่งไปนะครับ อัตตาที่ในความหมายของรัตที่เดรธีพระองค์ปฏิเสธเนี่ยนะครับแต่ความหมายอัตตาที่ในคําสอนเนี่ยหมายถึงจิตทั้งหลายนั่นเองนะครับหมายถึงจิตอัตตาแบบนี้ควรฝึกนะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านพระอนุนี้แสดงการทําไว้ในใจโดยแยบคายด้วยคําว่าอิติอิตินี่อธิบายเป็นโยนิสมานสิการนะครับครับ เพราะอัถาแห่งอาการะนิทัศนะและอวัธรณะที่ได้กล่าวไว้ด้วยคำว่าอิตินั้นซึ่งจะกล่าวถึงข้างหน้าอันส่งถึงอาการแทงตลอดโดยประการต่างๆเป็นอัฐาไม่วิปริตมีสัตยธรรมที่ไม่วิปริตเป็นอารมณ์นะนะเพราะความแยกคายใช่ัหมครับทำให้ตรึกและลึกไปในในธรรมะได้นะอธิบายว่า การแทงตลอดธรรมะโดยประการต่างๆย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ใส่ใจโดยแยกในะครนะถ้าคนไม่แยกใครเนี่ยนะจะแทงตลอดธรรมะได้ยังไงจะเข้าใจธรรมะได้อย่างตลอดสายได้ยังไงถ้าไม่มีโยนิโสมนัสิการนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าจากข้อความตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเขาคิดอะไรเรื่องเดียวนะครับเขาเพ่งตั้งอัด เพ่งอาการเป็นไปนะใช้คําว่าปาการะนะครับอิติอัตอว่าปาการะก็คือเป็นโดยอาการต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นโยนิสงสกานิการหรือปัญญาเนี่ยทำให้มองเห็นความชัดเจนโดยประการต่างๆนะครับโดยอารมณ์ต่างๆไม่ใช่อารมณ์เดียวนะครับอธิบายว่าคนที่แทงตลอดธรรมะโดยประการต่างๆเนี่ยนะครับจะมีสําหรับผู้ที่ใส่ใจโดยเยบคายคนที่ใส่ใจไม่แยบคลายเนี่ยนะครับไม่มีทางหรอกครับ ที่จะเข้าใจธรรมะได้อย่างตลอดสารอย่านี้คำว่าอิตินี่หมายถึงโยนิสโสมนัสิการนะครับพระ น, นมมร์แสดงความไม่ฟุ้งซ่านด้วยคําว่าสุตังนะซุตังนี่ไม่ฟุ้งซ่านอย่างนี้หรืออิติเนี่ยไม่มีโยนิโสมังั่นเถอะอ่าแสดงความไม่ฟุ้งซ่านด้วยคําว่าสุตังเนี่ยหมายถึงว่าการฟังสูตรที่กําลังกล่าวอยู่ซึ่งจัดเป็นประกรณด้วยอํานาจนิทานและปุจฉา เว้นสมาธิเสียย่อมไม่มีเพราะบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านจะฟังไม่ได้นะพวกที่ดำริพล่านไปหมดอุทธะกรุ่มรุมจิตเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะฟังทําได้หรอกนะครับเพราะว่าสํานวนว่าไม่อยู่กันเนื้อกับตัวอะไรเลยนะครับคิดไปที่ไหนก็ไม่รู้ขออนุญาตถามเอ่อคำว่าวิเคป่าเนี่ยกับอุทะจรในอันเดียวกันใช่ไหมครับวิเคป่าเนี่ยแปลว่าฟุ้งซ่าน อ่ะวิเศปะเนี่ยเป็นเที่ยง<อ>สมัยอ๋อครับครับเพราะฉะนั้นอุทจฉะเนี่ยมันจะประกอบกับกุศลจิตเท่านั้นมันจะไม่ก่อประกอบกับกุบศลจิตครับเพราะนั้นเวลาเราทําบาปเนี่ยมันจะมีอุทธจฉะประกอบร่วมด้วยใช่ไหมครับมีครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลาทําบุญเนี่ยจะไม่มีอุทจฉะขณะที่เป็นบุญไม่มีอุทจฉะเขาจึงเรียกว่ามาหากุศลอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมหากุศลเนี่ยจะมีผลหรืออันดับสองอะไรนี้ที่มันเหนือกว่า บาปใช่ไหมครับกกว่าบาปเพราะตรงที่ไม่มีอุทจาระอากุศลเนี่ยนะครับถึงทํามากก็ถ้าเทียบกับกุศล น, นะมีผลไม่มากนะเออนั่นสิถ้าถ้าจำนวนพฤติกรรมเท่ากันนะครับครับถ้าสมมุติว่าอากุศลเกิดห้านาทีกุศลเกิดห้านาทีในระดับเดียวกันนะครับก็กุศลให้ผลมากกว่ามหาสารเพราะกุศลไม่มีอุทจาระส่วนอากุศลนี่มีอุทธจาระนะครับครับบาปมันเลยไม่มีกําลังมากแต่ทีนี้มันความเคยชินนะทาจนชำนาญนน่ะละ มันก็เลยดูยิ่งใหญ่จริงๆเอเพราะฉะนั้นผลของกุศลเนี่ยมันดูดูเหมือนจะมีดอกมีผลอะไรเยอะกว่ามากเยอะกว่ามากครับ<อ>แต่ว่า อ, าอาวิชชานะครับมันไม่ให้ทําหรอกครับอวิชชาเนี่ยย่อมไม่ได้สิ่งที่ควรได้นะกุศลควรได้ไม่ให้ทําหรอกครับแล้วก็ปกปิดสิ่งที่ไม่ควรได้มันให้ไปทํำครับอันอวิชชานะครับมันเป็นตัวประธานหลักด้วยแต่ตรงนี้ท่านมุ่งขยายเน้นว่าผู้ที่จะฟังทำได้นั้นต้องเป็นคนที่ไม่ฟุ้งซ่าน คนฟุ้งซ่านนี่ก็ไม่สามารถคิดเรื่องราวติดตามาเนื้อหาได้ตลอดสายใช่ไหมครับนั่งฟังตรงนี้เนี่ยนะแคบคิดไปไม่รู้กี่สิบเรื่องอนะนะนะพอไปอิงถึงใครสักคนหนึ่งหรือไปอิงถึงคําใดคำหนึ่งอะนะเคลิบเพลิมไปในคํานั้นน่ะจนทางนี้เขาจะเลิกแล้วเพิ่งตื่นตัวอย่างน้นะไปเรื่อยเปยื่อยถ้าอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้นะครับ เป็นความจริงว่าบุคคลผู้มีจิตฟุง้งซ่านแม้อันพระธรรมมักเถระกล่าวอยู่ด้วยสมบัติทั้งปวงก็มักจะกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้ฟังนิมนต์พระคุณเจ้ากล่าวซ้าําอีกหูเขาขยายศีลสมาธิปัญญาส ม, มถะวิปัสนาบุญบาปอะไรอย่างชัดเจนหมดเลยนะพอดีขณะนั้นนั่งใจรอยอยู่นะครับตานี่ละห้อยเลยนะหรือไม่กะถีนะนี่กำเริบเนี่ยหนังตามันย่อนู อ, อะไรมันจะหนักไปขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยอุทจักกลุ่มรุมก็เลย ต้องขอร้องให้รอบสองว่นงั้นเถอะเคยสังเกตไหมฟังเทปอ่ะนะเหมือนไม่ได้ฟังไว้ตรงนี้นะนั่นแหละแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยฟุ้งไปแล้วน่งใจลอยไปแล้วนะอุทาจากลักษณะอย่างหนึ่งที่เห็นเนก็ใจลอยนั่นเองอันนี้ในยะหนึ่งนะครับอันหนึ่งในที่นี้บุคคลจะให้อัตตะซัมมาปณิธิและปุเพกะตะปุญญาตาสําเร็จได้ก็ด้วยโยนิโมสมนัสการ พระบุคคลผู้มีได้ตั้งตนไว้ชอบหรือผู้มีได้ทำบุญไว้ในชาติปางก่อนจะมีโยนิโสมนัิการนั้นไม่ได้นะตรงนี้ให้เห็นชัดนะว่าคนที่มามีโยนิโสมตึกธรร ม, มะเนี่ยนะครับคนนั้นนี่เนื่องจากตั้งตนไว้ชอบแล้วก็มีปุเพกัตพุญญาตามาเขาจึงมีโยนิโสมได้นะครับถ้าหากว่าไม่มี อ, อัตตะสัมมาปณิที่ไม่มีปุเพกัตพุญญาตานี่จะมีโยนิโสมตึกธรร ม, มะไม่ได้นะครับ มาใครควรธรรมะเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีบุญเก่านะครับเพราะฉะนั้นบุญเก่ากับการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยนะครับเป็นเหตุแห่งโยนิโสมนัสิการแล้วต่อไปว่าบุคคลจะให้สัตธรรมะสวนาและสัพ ป, ปริสูปะสยะสําเร็จได้ก็ด้วยความไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะครับเพราะบุคคลผู้ไม่ได้สดับธรรมและผู้เว้นจากการเข้าไปนั่งใกล้สัตว์บุรุษจะมีความไม่ฟุ้งซ่านนั้นอนะ่ะไม่ได้ คือหมายคว่าคนไม่ได้ฟังธรรมมาเลยไม่คบศัตว์บุรุษเลยจะให้เขาสงบมันไม่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุแห่งความสงบก็คือเขาเขาเนี่ยเป็นคนได้สดับมามากนะครับเป็นคนที่เว้นจากการครบอาสาตร์บุรุษแล้วก็คบศาตว์บูรุษเขาจึงจะมีความสงบนะครับจะสงบได้โดยการฟังธรรมกับครบสัร์บรุษโดยโดยเราไม่ต้องไปนั่งสมาธิไปอะไรอย่างเงี้ยเหร คําว่าสงบในที่นี้คือสงบจากบาปนะครับเน้นความสงบจากบาปครับครับนะครับคือเอาสงบในคําสอเนเน้นการสงบจากบาปเป็นประมาณนะครับคําคว่าสงบนี้ของเรากับของท่านบางอย่างภาพอาจจะคนละอย่างกันนะครับท่านเน้นความที่จิตไม่เป็นไปกับบาปนี่นะไม่ได้เน้นอิริยาบถนั่งอย่างเดียวเพราะว่าแม้แต่พรหมวิหารท่านก็เน้นในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่เช่นถ้าพรหมวิหารหรือเมตาก็สงบจากโทสะเป็นต้นนะครับ การุณาก็สงบจากความเบียดเบียนนะนะไอ้คำสงบมันสงบในลักษณะนั้นไม่ใช่สงบไปนั่งแช่หรือเหมือนกับหลับสนิทไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันจะลักษณะของคนที่ทำทุจริตมามากๆเวลาฟังธรรมก็รู้สึกมันปฏิฆะมันฟุ้งซ่านมันลำคาญไม่ม่วนใจเงี้ยเนาะครับ okay เอางีนะถ้าลองไปเดรฉ า, านกระถาสักสามชั่วโมงแล้วมานั่งฟังธรรมดูนะครับ ไปเรื่อยนะคุยทั้งขอบฟ้าป่าหิมพานต์เขาจักรวาลกรุงเทพกรุงไทยนั่งรถนั่งเรือเครื่องบินหนังสือพิมพ์นังอะไรเนี่ยนะครับทีวีนังการ์ตูนภาพยนตร์เนี่ยนะนั่งคุยสักหาชั่วโมงแล้วมานั่งฟังธรรมดูนะครับมาถ้าสงบนี่หมายฟีมือจริงๆแต่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ากะเท่ากับครบอาสาาัตบุรุษแล้วแล้วก็ตอนนั้นก็คําว่าไม่ได้ฟังธรรมคอยรู้ว่าตอนนั้นเขาฟังเดาชะาน์กระถาอยู่ เพราะฉะนั้นผู้ที่เดรัานกระถามากๆแล้วก็คบคนผานมากๆจิตมันก็ต้องฟุ้งซ่านอยู่แล้วนะครับเนี่ถ้าเอาโดยอาวตตะนะครับพลิกมานะครับให้เป็นธรรมายดํำก็จะเห็นชัดเป็นความจริงว่าบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านจะไม่สามารถฟังพระสัตว ธ, ธรรมได้เลยติดตามเรื่องของธรรมะไม่ได้ครับอาจจะนั่งอยู่ตรงนั้นนะนั่งได้แต่หูนี่ไม่ได้เป็นไปกระธรรมะแน่นอนและบุคคลผู้ไม่เข้าไปนั่งใกล้สัตว์บุรุษจะไม่มีการฟังธรรมเลย การ เ, าเข้าไปใกล้ศาสตว์บุรุษเนี่ยทำให้เกิดการฟังทีนี้การฟังจะสำเร็จประโยชน์หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าฟุ้งซ่านหรือไม่นะแต่ถ้าหากว่าเราไปอยู่กับกาลยานามิตรที่ฉลาดจริงๆเขาอาจจะช่วยไม่ให้ฟุ้งซ่านได้นะครับอย่างเช่นภาษาบุรสอนเพศข้าศ์ขาแดงนะครับก็สามารถแนะนำไม่ให้ฟุ้งซ่านก่อนเขาเาเาเก่งเขาสามารถให้เปลี่ยนเรื่องคิดได้นะครับเปลี่ยนให้ไปคิดอย่างอื่นก่อนนะ พอถ้าหาว่าไม่เปลี่ยนเรื่องคิดนี่ก็ฟุ้งแน่แต่ให้รู้ว่าธรรมะทั้งสีประการเนี่ยนะครับคือจักสีเนี่ยนะครับจักสีนี้คืออัตตะสัมมาปนิธิอย่างหนึ่งใช่ไครับปุเพกะตะปุญญาตานี่อย่างหนึ่งอะไรสัทธรรมะสวนณะนี่อย่างหนึ่งสัปุริสู ป, ปัสยะนี่ยอย่างหนึ่งนะาจากทั้งสีประการนี่แหละครับทำให้มีโยนิโสและทาให้ไม่ฟุ้งซ่าน เคยได้ยินว่าอสาธารณะปัจจัยของกุศลเนี่ยนะครับคือกุศลเนี่ยนะจะอาศัยจัก4ประการเท่านั้นนะเป็นเหตุแห่งกุศ ล, ลจิตจึงจะเกิดได้ทีนี้เราเราถ้าเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตทั่วๆไปเนี่ยจะเห็นว่าเราจะอยากให้คนอื่นเขาเป็นกุศลก็ถามดูว่าเขาบริบูรณ์ด้วยจักทั้ง4ประการไหมล่ะถ้าเขาไม่มีจักทั้ง4ประการไม่ต้องไปถามหากุศ ล, ลจิตจากเขาหรอกครับก็มันมีใ น, นอดีตซะตั้งสองข้อเนี่ยครับ อะไรนะปุเพจกักรตปุญญาตาหรือว่าอ๋อตรงตรงตรงนี้ครัคือถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปน ะ, ะหนึ่งถ้าเขาไม่เคยมีปุเพกระตปุญญาตาสองไม่มีอัตตะสัมมาปณิทิสามไม่ครบสัตบุรุษไม่ฟังธรรมเลยเนี่ยนะไม่มีข้อมูลอะไรสักอย่างเนะี่ยแล้วไปให้เขาเป็นกุศลเนี่ยนะครับไม่ใช่ฐานะแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่มีปัจจัยนะครับฝนไม่เคยตกเลยจะให้น้ําท่วมเนะี่ยมันก็ไม่ใช่ฐานะแล้วนะครับ ฝนไม่เคยตกแล้วไม่ใช่ทางผ่านของน้ําด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ไปถามหาความชุ่มเย็นเป็นต้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้อีกนัยหนึ่งนะครับคือสงเคราะห์อาอิติเป็นโยนิโสมนัสิการสงเคราะห์สุตะเป็นคําไม่ฟุ้งซ่านแต่ที่นี้ว่าโยนิโสมนัสิการก็ต้องอาศัยอาศัย อ, อัตตะซัมมาปณิทิกับปุเพกตปุญญาตาความไม่ฟุ้งซ่านก็ต้องอาศัยการฟังศัพท์ธรรมและการครบ สับบุรุษนั่นเองนะครับอีกนัยหนึ่งเพราะจิตตะสันดานใดเป็นไปโดยอาการต่างๆกันจึงมีการรับเข้าใจอัและพยัญชนะต่างๆได้อิติศัพนี่นะครับท่านจึงกล่าวว่าเป็นสัพท์แสดงอาการต่างๆของจิตตะสันดานนั้น คือในขณะที่ฟังธทำเนี่ยนะครับวิถีจิตไม่ใช่วิถีเดียวเป็นวิถีจิตที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าวิถีจิตบางอย่างรับเสียงวิธีจิตบางอย่างพิจารณาเนื้อความรับเสียงพิจารณาความรับเสียงพิจารณาความเนี่ยนะวิถีจิตเป็นไปซ้ำซ้ำซักๆนะซ้ำซ้ำซักซขนาดไหนก็ฟังเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงเป็นต้นเนี่ยนะรับเรื่องรับรู้เรื่องราวไปตลอดเลยนี่ลักษณะของอิตินะครับจิตตสันดานเป็นไปกับธรรมะได้ยาวๆแบบนั้นนะ ครับกุศลและเจตังนั้นเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นภาวนาไม่เนี่ยนะครับที่จะเบาที่สุดก็คือการฟังธรรมนะครับก็เพราะเหตุที่อาการแห่งพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่งามอย่างนี้ที่เป็นเหตุให้ประโยชน์ของผู้อื่นบริบูรณ์ได้ครบถ้วนโดยทำให้ผู้อื่นนั้นนะอย่างลงสู่ความสมบูรณ์แห่งพระศาสนาทั้งหมดด้วยการกาหนดประเภท แห่งอัฏฐะและพยัญชนะได้นะครับย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มิได้ตั้งตนไว้ชอบหรือผู้มิได้กระทำบุญไว้ในปางก่อนฉะนั้นท่านพระนริจึงแสดงความถึงพร้อมแห่งจักสองข้อหลังของตนด้วยอาการอันงามด้วยคำว่าอิตินี้เนี่ยนะครับทให้เห็นชัดเจนนะครับว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยนะครับครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ อ่นะสมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะอัฏฐะและพยัญชนะนี่แหละครับประกาศศาสนาเคยได้ยินไหมครับว่าศาสนาหมายคำว่าไงศาสนานี่ย่างลงอะไรครับศาสนานี่เป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญานี่นะครับศาสนาเนี่ยประชุมพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญานะครับตัวที่เรียกว่าศาสนาเนี่ยศาสนามีสองไหมปริยัติศาสนาหรือปฏิเวติศาสนาเป็นต้นเนี่ยนะ แต่ถ้าโดยทั่วๆไปนี้คําว่าศาสนาอาจจะมาจากคําว่าพรหมจรรย์เช่นมรรคพรมจรรย์กับศาสนาพรหมจรรย์นะครับฟันศาสนานั้นบางอย่างก็หมายถึงปริยัติศาสนาแต่ในยะนี้นี่นะครับศาสนานี้ประกาศทั้งไตรสิกขานั่นเองนะครับฟันศาสนาเป็นชื่อของไตรสิกขาไตรสิกขาเนี่ย น, นะครับจะเป็นไปได้ก็อาศัยอาศัยอัตถะและพยัญชนะถ้าไม่มีอัตถะและพยัญชนะจะเข้าใจศีลสมาธิปัญญาได้ยังไง แต่ที่นี้พระดํารัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยอัฏฐและพยัญชนะจึงทําให้ไตรสิกขานั้นนะครบถ้วนบริบูรณ์นะครับสามารถประกาศไตรสิกขาอย่างครบถ้วนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับคนไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบนะครับเช่นได้มาบวชแต่ไม่มีจิตใจในทางนี้เลยก็รับไม่ได้นะครับหรือไม่ได้ทําบุญไว้ในปางก่อนก็รับไม่ได้นะครับคําสอนเหล่านี้เนี่ยนะครับ อัะ น, นะอย่างบางคนนะบุญเก่าเขามีแต่เขาตั้งจิตไว้ผิดในชาตินี้นะครับเขามีปากนะครับอาหารก็มีข้าวก็มีแต่ว่าไม่กินสียอย่างเนี่ยนะเพราะอันนี้เรียกเหมือนกับตั้งตันไว้ผิดอ่ะนะเพราะฉะนั้นกุศลจิตมันก็พร้อมลงพร้อมลงไปเรื่อยๆนะนะหรือคนถ้าถหากว่าตั้งจิตไว้ถูกแต่ว่าไม่ค่อยได้ทําบุญไว้ในปางก่อนก็เรียนอะไรก็เข้าใจช้า นะครับกว่าจะรู้อะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างนาเนี่ยก็ชาเนื่องจากบุญเก่าไม่ค่อยมีขนาดตั้งต้นไว้ชอบแล้วนะแต่ค่อยสังเวยแต่ทําทไม่เรียบทําก็น่าจะหนักกว่านี้อีกแล้วองั้นะนะอันนี้ก็อิตินะครับมันครไม่จะอิตินะว่าพระนลแสดงความถึงพร้อมแห่งจักรสองข้อต้นเพราะประกอบด้วยการฟังด้วยคําว่าสุตังอธิบายว่าการฟังธรรมเนี่ยนะครับย่อมไม่มีแก่บุคคล ผู้อยู่ในประเทศที่ไม่สมควรนะครับถ้าไปเกิดเป็นป ร, ประเทศใดหรือไปอยู่ในที่ที่มไม่เหมาะสมนี่นะครับไปอยู่บางแห่งเนี่ยก็ไม่ได้ฟังธรรมแล้วหรือผู้เว้นจากการเข้าไปนั่งใกล้ศาสตร์บูรุษก็จะไม่ได้รับการฟังธรรมังนั้นการฟังธรรมนะปัจจัยที่สำคัญประการแรกก่อนคือประเทศที่สมควรถ้าสมัยนี้ก็คือเมื่อพูดถึงเรื่องบทบูตระนะก็ต้องหาวัดที่ที่สมควรแก่กัน การว่าที่นั้นเนี่ยเขาเจริญกุศลแระทขนาดไหนเนี่ยเช่นหาวัดก่อนอนะนะเรียกหาปฏิรูปประเทศนะไม่ใช่ว่าวัดวัดก็เข้าหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหาหาปฏิรูปประเทศก่อนแล้วปฏิรูปประเทศนี่นะครับก็มันได้ว่าไปโข่งองไหนเพอร์เจอที่สุดเราสนิทกับองค์นั้นที่สุดนี่ก็แสดงว่าเรานี่ยแย่นะนะมันได้ว่าใครที่มีความสามารถในการแสดงธรรมทรงธรงรมเป็นต้นเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับองค์นั้นเลย แต่ใครที่ละและในวัดนั้นเนี่ยมาสนิทกับเราจริงๆเนี่ยจะให้พิจารณาเถอะครับว่าเรานี้ไม่ได้ดีแล้วหนอเหมือนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้ฟังธรรมนั้นนะครับฟังธรรมนี่รวมทั้งสนทนาเป็นต้นด้วยนะครับก็ต้องอาศัยอยู่ในวัดหรือประเทศที่ที่สมควรนะถ้าเป็นคารวะก็อยู่ในจังหวัดที่ที่สมควรเหมือนกันเถอะไปอยู่บางจังหวัดนี่อดแน่นะครับ หรือว่าแม้แต่อยู่ในจังหวัดนั้นๆเข้าผิดที่ผิดทางก็ไม่ไว่าอีกหรือแม้จะเข้าถูกที่แล้วแต่เข้าไปหาผิดคนนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับมันก็ต้องให้มันเหมาะสมนะครับดูเหมือนสมัยนี้มันจะเป็นเวรเป็นกรรมอะไรกันรู้นะครคือตุกอย่างมันจะขึ้นกับพ่อแม่พอไปฝากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าใกล้บ้านนี่แหละดีที่สุดอย่างเงี้ยนะ ก, ก็แสดงถึงความไม่ฉลาดของพ่อแม่นะอันใหม่กลับว่าบุญเก่าของลูกไม่ค่อยดี คือลูกไม่ค่อยมีบุญนะครับโดยไม่ได้พ่อแม่อย่างนั้นก็เลยพ่อแม่งั้นก็ส่งไปเลยนะครับแต่ like ถ้ามีบ ok ุญจริงๆนี่ก็จะขอนขวายหาจนได้อย่างนี้ไหมคือถ้ามีบุญจริงๆก็โดยมากคนอื่นเขาจะจัดสรรให้อือย่างหนึ่งนะครับครับอีกอย่างหนึ่งก็ถ้ามีบุญจริงๆก็แสวงหาเองก็ต้องเอาทั้งสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีบุญจริงๆเนี่ยนะครับมีคนจัดเบ็ดเสร็จให้หมดเลยยกตัวอย่างพระ โมคขลีพระโมคขลีบุตรติฏสะเนี่ยนะครับเขาบอกให้คอยมาเกิดเถอะเดี๋ยวผ้าอรหันที่เหลือท่านช่วยเหลือเองหมดแหละหรือพระนาคเสนเนี่ยนะครับขอให้คุณไปเกิดเป็นมนุษย์เถอะที่เหลือเนี่ยผ้าอรหัน์จะไปสงเคราะห์อเองหมดแหละอันนี้นถ้ามีบุญจริงๆนะครับแต่ถ้ามีบุญไม่ค่อยจริงก็ต้องเสาะหานะครับถ้าไม่สแสวงหาเนี่อดแน่น ะ, นะครับแต่นี้เราอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยของผมนี่มาคิดว่าเราบุญเก่ามีไม่มีไม่รู้แต่ว่าถ้าไม่ทาบุญใหม่นี่แย่แน่นะครับ เหมือนกับเหมือนกับว่าอาหารเนี่ยข้าวในยุ้งในช้างเนี่ยนะของเก่าไม่สนใจว่ามีหรือไม่มีแต่ถ้าฝนตกนะไม่รีบปักดำเนี่ยอดตายเนี่นะรู้แค่นี้นะครับรเพราะว่าจากสองข้อหลังนะครับจากสองข้อหลังคือ2ข้อสุดท้ายนะคือเท่ากับข้อ3มข้อสี่ข้อ3ามข้อ4ี่ก็ได้แก่ อ, อัตตะซ้ำ ม, มาเป็นนิติกับปเบุเพกตปุญญาตานะครับในสองข้อนี้นะครับ ของผ้านนที่สําเร็จบริบูรณ์เนี่ยเพราะท่านมีเพราะท่านมีอาสัยะบริสุทธิ์นะครับจึงเป็นอันสําเร็จด้วยประการดังพันธ น, นามาเชนี้บุคคลผู้ตั้งตนไว้ชอบและทําบุญไว้ในปางก่อนชื่อว่าเป็นผู้มีอาสัยะบริสุทธิ์อาสัยะบริสุทธิ์คือเป็นคนมีสัมมาทิฐินั่นเองนะครับถ้าหากว่าคนนั้นไม่เป็นคนมีสัมมาทิฏฐินะเขาจะตั้งตนไว้ชอบไม่ได้ หรือเขาจะทําบุญไว้ในปางก่อนไม่ได้แต่ถ้าไม่มีอาศัยะบริสุทธิ์อาศัยะบริสุทธิ์นี้เป็นชื่อของสัมมาทิฏฐินั่นเองนะครับเป็นชื่อของสัมมาทิฏฐิหรือกรรมสกตาทั้งหลายหรือวิปัสสนาทั้งหลายนั่นเองนะครับนี่เรียกว่าอาศัยะเพราะฉะนั้นคนที่มีอาศัยะบริสุทธิ์นี่แสดงว่าเขาเป็นคนที่ตั้งตนไว้โดยชอบเข้าทําบุญไว้ก่อนเป็นอย่างดีเพราะกิเลสทั้งหลายที่เป็นเหตุให้อาศัยะไม่บริสุทธิ์นั้นอยู่ไกลแล้ว พระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบแล้วพึงทําบุคคลนั้นให้ประเสริฐกว่าเพราะเหตุนั้นเคยได้ยินไหมบอกว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยนะครับมีโทษมากกว่าโจรโจกเจอโจรโจกนะครับศัต ร, ตรูเจอศัตรูนี่นะครับ mm hmm. ยังมากมันก็แค่เคนฆ่ากันตายเท่านั้นแหละเนี่ยนะถ้าโจรโจกเจอโจรโจกเนี่ยนะครับ แต่จิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยมีโทษยิ่งกว่านั้นเพราะว่าโลกัตาตานรกเป็นต้นอะบายทุกติวินิบาตนารกเป็นต้นเนี่ยเนื่องจากจิต ท, ที่ตั้งไว้ผิดก็บอกว่ามารดาทั้งหลายเนี่ยนะมีอุปการะคุณต่อบุตรนะครั บ, บเช่นช่วยเหลือเพื่อกูลพระองค์ตรัสว่าจิต ท, ที่ตั้งไว้ถูกมีคุณยิ่งกว่ามารดาเหล่านั้นอีกนะครับ<ม>คนที่มีแม่ดีๆเนี่ยนะครับยังมากก็ยกจักรพาสมบัติให้แผ่นดินให้หมดเลยเนี่ยนะ<ม>อันนี้แค่นี้จริงๆแต่ถ้าจิตของบุคคลที่ตั้งไว้ถูกเนี่ยนะครับ เยาว่าจาักรพัฒสมบัติเลยเทวสมบัติสวรรค์สมบัติหรือแม้กระทั่งพรมสมบัติหรือว่านิพพานสมบัติก็จะสําเร็จเพราะจิตที่เขาตั้งไว้ถูกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบแล้วพึงทําบุคคลนั้นให้ประเสริฐยิ่งกว่าแต่ถ้าเอามาจนจบก็คือความแม่นั่นเองนะความแม่ทั่วๆไปที่รักลูกจริงๆนะถ้าเราตั้งจิตไว้ถูกเนี่ยดีกว่านั้นจริงๆเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระองค์ไม่ได้ออกบวชพระองค์ก็เป็น จักรพรรดิของสมัยนั้นแต่เนื่องจากพระ อ, องค์ออกบวชเนื่องจากอัตตะซ้ ม, มาปณนที่ที่ของพระ อ, องค์ตั้งไว้ชอบแล้วพระ อ, องค์เลยได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกเป็นต้นเนี่ยเนื่องจากจิตที่พระ อ, องค์ตั้งไว้ถูกไหมไม่ได้จากแม่แนะนําให้ยกให้นะครับแต่จากจิตที่ตั้งไว้ถูกต้องนั่นเอง นะและพงค์ก็ยังตรัสว่าดูก่อนอนุนเธอเป็นผู้ได้ทําบุญไว้แล้วขอเธอจงมั่นประกอบความเพียรเธอไม่ช้าก็จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขนาดว่าบุ ญ, บญเก่ามีแล้วนะจากข้อความตรงนี้ก็ทําให้เห็นว่าต้องเพียรพยายามนะครับถึงมีบุญเก่ามาแล้วนะถ้ามีบุญเก่าแล้วไม่พยายามก็เหมือนกับเศรษฐีบุตรที่ในธรรมบทนะครับอุปนิสัยแห่งอรหันนี่มีอยู่แต่ว่าไม่ได้ ปรโยคนาวิบัติอย่างร้ายแรงเนื่องจากอาสยาวิบัติพ่อแม่นะอยู่กับปาฐมิตรทั้งหลายแล้วนะครับชีวิตเลยวิบัติทั้งชาติเลยทีนี้เหมือนกันพระนนก็เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าอุปนิสัยมีบุญเก่าทำไวแล้วถ้าไม่ประกอบความเพียรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระ อ, องค์บอกว่าเออเธอมีบุญเก่าแล้วนะขอให้เธอทําความเพียรเธอะเจริญสำ ม, มบัติทานไปเธอเนี่ยนะไม่ช้าเธอก็จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะไม่ช้าเธอว่จาจกเป็นพระอรหันต์ ข้อบทพุทธพจน์บทนี้ตรัสตอนที่พระ อ, องค์ใกล้จะปรินิพานพระอา น, นุลไปยืนแกะสลักเนี่ยนะยืนเกาะสลักเพชรแล้วก็ร้องให้พระ อ, องค์ก็สรับสั่งให้เรียกหาพระอา น, นุลมาเฝ้าพระ อ, องค์ถามพระ อ, อ น, นุลก็ตอบไปพระ อ, องค์ก็ตรัสกับพระ อ, อ น, นุลอย่างนี้ว่าเธอเนี่ยเป็นเป็นผู้มีปุเพกตะปุญญาตานะเธอเนี่ยได้ทําบุญไว้แล้วเนี่ยนะเมื่อแสนกัปที่แล้วเธอได้ตั้งความปรารถนาะ เพราะฉะนั้นเธอเนี่ยมีบุญเก่าไว้แล้วเพราะฉะนั้นจงมันประกอบความเพียรเธอไม่ช้ากว่า ก, ากเป็นผู้ไม่มีอาสวะอันนี้พูดสําหรับคนมีบุญแล้วนะทีนี้ถ้าคนไม่มีบุญก็ต้องทาอีกเพราะทาไม่เรียบทําวันนี้แล้วเมื่อไหร่จะมีบุญสักทีอ่างั้นนะซึ่งพันจากข้อสาข้อสีเนี่ยนะคือปุเพกะตะปุญญาตากับอัตตะสัมมาปณิที่เนี่ยนะครับทำให้เป็นคนมีอาสัยะบริสุทธิ์ คือไม่ไปเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลทั้งหลายนั่นเองนะครับดํารงมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิอยู่ก็เพราะนะย้ําเลยก็คืออัตตาสัมมาปณิทิกับปุเพกตะปุญญาตาผมก็มาจากเจอข้อความนี้ผมเออจะทําทุกวันนี้ให้มันเป็นปุเพกตะปุญญาตาของชาติหน้ากระแล้วกันทําวันนี้ให้เป็นของชาติหน้านะครับของอดีตชาติมองไม่หันนะครับไม่เห็นเลยใช่ไหมว่าทําหรือไม่ทำํำ ผมเคยหันจักเธอว่างั้นว่ามีหรือไม่มีแต่ว่าเออถ้าไม่ทําวันนี้เนี่ยรู้ว่าชาติหน้าฟาวแน่ว่างั้นเป็นมันเนี่ยนะเพราะจักสองข้อข้างต้นสองข้อข้างต้นคือปฏิรูประเทศกับศัพทบริสุ ป, ปัศยะเนี่ยนะครับคือการพึ่งพิงสัตว์บรุษหรือการคบสัตว์บรุษเนี่ยอุปนิสัยเนี่ยคือเข้าไปอาศัยสัตว์บรุษธิ์นั่นเองนะครับความบริสุทธิ์แห่งประโยคะก็เป็นอันสําเร็จด้วย คือถ้าถ้าหนึ่งนะคนฟังธรรมกับคบสัตบุตรเนี่ยไปทําชั่วเนี่ยนะครับหายากนะครับถ้านับปริมาณเลยนะ ค, คนที่สมมุตินะกำลังติดตามพระสัมมา ส, สัมพุทธเจ้ากําลังฟังธรรมจากพระองค์แล้วไปทําชั่วเนี่ยนะครับมีไหมครับทุศีนเลยขณะนั้นเนี่ยหายากเพราะฉะนั้นอาศัยจักสองข้อต้นเนี่ยนะครับคือการคบสัตว์บุตร ก, กับการฟังธรรมของสัตว์บุตรเนี่ยนะครับทําให้ประโยคะบริสุทธิ์ถ้าศีนไม่ดีเป็นต้นนั่งฟังธรรมได้หรือครับยากแั้วนะ อธิบายว่าพระอานนท์นี้ชื่อว่าเป็นผู้มีประโยค่าอันบริสุทธิ์โดยสาธุชนทั้งหลายถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างได้นะควรเอาเป็นตัวอย่างนะเพราะการอยู่ในประเทศอันสมควรนะพระอานนท์เนี่ยเกิดในประเทศที่สมควรนะครับแล้วก็เพราะการเข้าไปนั่งใกล้สัพพุรุษนะครับโหเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากมันปฏิรูประเทศนะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่นั่นเป็นปฏิรูประเทศเพราะฉะนั้นท่านก็จะอยู่ปฏิรูประเทศทุกหนทุกแห่ง และพระพุทธเจ้าเทศที่ไหนภาคนนต้องรับรู้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นโอ้จักสองข้อต้นเนี่ยท่านมีบุญมากนะครับคือการที่ท่านาได้อยู่ในปฏิรูปประเทศแล้วก็การครบศัตท์บุรุษทั้งหลายนเแต่ถ้าคนประโยค่าวิบัติอันนี้ไม่ได้นะครับเอางี้นะถ้าคนมีอาสยาวิบัติจะไม่ตั้งตนไว้ชอบและจะไม่มีบุญเก่าเลยส่วนผู้ที่ประโยค่าวิบัติจะไม่มีการอยู่ในประเทศที่สมควรและจะไม่ จะไม่มีโอกาสได้การฟังสัตย์ธรรมเลยเนื่องจากตัวตัวเองประโยคนวิบัตินะครับเช่นในยุคนี้ถ้าไปเข้าคุกเข้าตารางก็ยากเหมือนกันนะครับที่จะฟังธรรมขนาดอยู่นอกคุกเลยยังยากเลยนะ<ม>หรือว่าไปทํากิจการบางอย่างซึ่งมันขัดต่อหลักทำหลักธรรมเนี่ยนะครับอาชีพที่เป็นไปกระทุ้จริตเนี่ยนะอาชีพที่ทำปานาติบาตอธินานาทานเป็นต้นเนี่ยนะก็ยากที่จะฟังธรรมนะครับคนมันมีแผลนะครับออขออนุญาต ผมได้ยินบางที่เวลาเขาอยู่ข้างนอกเขาไม่เคยฟังธรรมเลยครับพอาะเขาติดโคุกเขาได้ฟังธรรมครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่คุกเขาเปิดเปิดเทปรายการธรรมะอะไรพวกนี้ให้พวกนักโทษฟังครับแต่ก็ในจํานวนจํานวนน้อยมากครับถ้าเรียบแล้วนะจำนวนน้อยมากแต่บังคับให้ฟังไปเรื่อยๆแล้วคนก็เลยชอบไปเลยนะครับแต่ก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยเต็มทีนะครับคือคือเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยมาก พอทำไม่งั้นนี่ก็น่าจะเอาตรงนั้นเป็นวัดได้แล้วนะครับถ้าตรงนั้นดีจริงๆอะนะน่าจะดีกว่าวัดเหมือนกันเถอะแต่นี่วัดก็ยังยังยากเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับโดยเฉพาะพระพิสูราเนี่ยนะเนื่องจากไม่สามารถรักษาพระวินัยเป็นต้นได้เนี่ยเรียกว่าประโยค้าววิบัติ mm hmm. เมื่อประโยค้าววิบัติแบบนี้ก็พระไตรปิฎกนี้อ่านไม่มุวนนะครับ mm hmm. พระโมคคัลบรุษนี่ก็ว่าแต่เราอะหนักๆเข้าเลยปฏิเสธทิ้งเลยนะครับเพราะประโยคนาของตัวเองวิบัตินั่นเองนะครับ mm hmm. ฟังเมื่อไหร่ก็โดนเราเลยนะว่าแต่เราว่าแต่เราเพราะฉะนั้นก็ตัวเองประโยค่าวิบัตินั่นเองนะครับเพราะเพราะไม่ได้ครบสัตวบุรุษตั้งแต่ต้นนะครับท่านถ้าสมัยนี้สิ่งที่น่าสําคัญมากก็คืออย่างเช่นผู้ที่จะเริ่มศึกษาพระธรรมนี่ก็ต้องหามองหาการยานมิตรแต่ถ้าโดยสายตาธรรมดาทั่วๆไปก็ยากจะรู้ว่าใครเป็นการยานมิตรใครเป็นปาปรมิตรนะครับถ้าโดยธรรมดาทั่วทวไปนะแล้วก็ อผู้สถานที่ที่เราจะเข้าไปบวชเนี่ยขอให้ได้บวชก่อนโดยทั่วๆไปก็ยกย่องแล้วแต่สมัยนี้มันต้องคัดสถานที่เป็นต้นนะครับแม้แต่ได้สถานที่เราก็ต้องคัดคนที่เราจะเข้าไปตีสนิทกับท่านอีกเหมือนกันนะครก็ต้องคัดคัดคัดคัดไม่รู้แล้วครับเหมือนกับผมคิดว่าร่อนภูเขาหาทองคํานะครับมันก็ยากอย่างนั้นนะครับครับมาบดร่อนหาทองคํานะคมันก็ยากนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าทำสำเร็จก็สบายนะครับ ต่อไปนะครับว่าก็เพราะอาสยะบริสุทธิ์นะครับคือหนึ่งอาสยะคือเนื่องจากบริสุทธ์เพราะอะไรครับเพราะปะเะุเพกตะปุญญาตาเพราะอัตะสัมมาปณิที่นี่นะครับความฉลาดในอธิคมจึงสําเร็จได้อธิคมคือมรรคผลนั่นเองนะครับเพราะท่านมีบุญเก่าดีเพราะท่านมีอัตะสัมมาปณิที่จึงทําให้บรรลุมรรคผลก็เพราะเครื่องเศร้ามอง คือตันหาและทิฏฐิถูกชำระให้บริสุทธิ์แล้วในการก่อนนั่นแหละนะครับเนื่องจากท่านามีอัตตาสัมมาปณิที่มีปเุเพกตปุญญาตาเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ชำระตันหาชําระทิฏฐิได้ให้บริสุทธิ์ก็เลยได้บรรลุมรรคผลนะครับเพราะประโยค่าบริสุทธิ์คือคือศีลเป็นต้นดีเนี่ยนะครับแต่ประโยค่าบริสุทธิ์อย่าลืมว่าปฏิรูปประเทศกับการเข้าไปอาศัยสัตว์บรุษนะครับ เพราะฉะนั้นประโยคะจึงบริสุทธิ์ทีนี้ความบริสุทธิ์ของประโยคะทําให้ได้รับความฉลาดในอาคมอาคมนี่เป็นชื่อของพระปริยติธรรมนะครับเพราะว่าครบสัตว์บรุษอยู่ในปฏิรูปประเทศก็เลยทําให้ฉลาดในคําสอดนั่นเองอธิบายว่าพระอนุนมีกายะประโยคะวจีประโยคะบริสุทธิ์มีจิตไม่ฟุ้งซ่านเพราะไม่มีวิปฏิสารจึงเป็นผู้แกล้งกล้าในพระปริยตินะครับ คือแกล้ากล้าในประิยัตในที่นี้หมายถึงแกล้ากล้าในพุทธพจน์หมายคือว่าใครจะเอาเรื่องกายไปตําหนิพระนนก็ไม่ได้เอาโทษทางวาจาว่าพระนล น, นี่พูดไม่ดีเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็ไม่ได้เอาเรื่องว่าแหมพระนนนี่เป็นคนฟุ้งซ่านก็ไม่ได้นั่นนะเพราะฉะนั้นเมื่อหาข้อตําหนิติเตียนไม่ได้อะไรซากแห่งเลยเนี่ยนะครับท่านเยอะเลยเป็นพวกแกล้ากล้าในคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับพูดได้อย่างองค์อาสง่าผาเผยแต่ก็ไม่ใช่เป็นไ้กับมานะนะครับคือ คือแกล้วกล้านะครับด้วยคุณธรรมนะครับอันถ้อยคำของพระอนตน์ผู้มีประโยคะและอาสยะบริสุทธ์นะครับผู้สมบูรณ์ด้วยอาคมและอธิคมนะถ้าประโยคนบริสุทธิ์ทำให้แตกฉานปริยัติถ้าอาสยะบริสุทธิ์ทำให้บรรลุมรคผลดังว่ามานี้สมควรที่จะเป็นคำนำพระดำรัดของพระผู้มีพระภาคเจ้า เพราะว่าพระพุทธพจน์นี้ต้องขึ้นเอวอเมสุตังใช่ไหมครับเนื่องจากท่านดีแบบนี้นะจึงสมควรแก่เป็นคนกล่าวนํพาพุทธพจนนะ์เหมือนกันเถอะเนี่ยนะเหมือนกับคู่ควรแล้วที่จะมาเป็นพิธีกรเหมือนกันเถอะนะครับเขบอกว่าคู่ควรแค่ไหนก็บอกว่าเหมือนอรุณขึ้นควรมีมาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะนะรุ่งอรุณเนี่นะครับเป็นเบื้องต้นของดวงอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมครับและโยนิโสมนสิการควรเกิดขึ้นก่อนกุศลธรรมนะนะ กุศลทั้งหลายต้องมีโยนิโสม า, มาเกิดมาก่อนเพราะเหตุนั้นพระอนุลเมื่อจะตั้งนิทานคําเบื้องต้นในที่อันควรจึงกล่าวว่าอิติเมสตังเป็นต้นไว้นะครับโอ้ก็คือเท่ากับอธิบายคุณของพระอนุลนั่นเองนะครับว่าพระอนุลนั้นเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีโยนิโสมนัิการความที่ท่านมีโยนิโสมนัิการนี่แหละทําให้ท่าน มีปุเพกตะปุญญตากับทําให้ท่านมีอัตตาสัมมาปณิทิความที่ท่านมีปุเพกตะปุญญตาอัตตาสัมมาปณิทิเนี่ยนะครับจึงทําให้อาศัยท่านบริสุทธิ์อาความที่อาศัยของท่านบริสุทธิ์นี่แหละทำให้ท่านได้บรรลุมรคนะครับทำให้ท่านบรรลุมรคนความที่พระอนุนเนี่ยนะครับเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านก็เพราะอาศัยการฟังธรรมหรือการคบสัตบุรุษนะครับเพราะความที่ท่านได้ฟังธรรมและคบสัตบุรุษก็ทําให้ประโยคท่านบริสุทธิ์ เมื่อประโยค่าท่านบริสุทธิ์ท่านเลยเป็นผู้ที่แตกฉานในพระปริยัติธรรมคือแตกฉานในพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาให้รู้ว่าเออาามาจากอิติอิติเมสุตังเป็นต้นนั่นเองนะครับ